บุกทูสี่สิบเจ็ดควารเ็กเซปการเตรียมตัวเดินทางวยัตส์พรพารอยคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วบิเดวสพาคินยันวาลีสันอย่าลืมอะไรนะ คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่อย่าลืมหนังสือเดินทางนะอียออย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะอย่าลืมเช็คเดินทางนะ Ne ฟอ r g e s s u vi ญญา voyaggio c z e c h i n เอาครีมซันแทนไปด้วยนะคุณแพรนุสุนชิยร์แนครมมเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะคุณแพรนุสุนอคูลวีตรอยน์เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะคุณแพรนุสุนชปัปเพลอน คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไห ม, ค, มคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม ค, คุณจะเอาร่มไปด้วยไหมอม อ, อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ N, n, อย่าลืมเน็ทไทยเข็มขัดและเสื้อนอกนะ n, n, อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบู ท, ทบคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันกรรไกรตัดเล็บลคุณต้องใช้วีแปรงสีฟันและยาสีฟัน วิบะซานั้สคอมบิลล์น n ันทอ o รอสันหรือดันทอพัสตัน